เจอุโบสถาเพาทาธิว่าด้วยประเภทแห่งวันอุโบสถเป็นต้นเรื่องประเภทแห่งวันอุโบสถข้อ149ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีการสนทนากันดังนี้ว่าวันอุโบสถมีเท่าไรจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายวันอุโบสถนี้มีสองวันคือวัน14บ่ค่ำและวัน15คห้า พิกษุทั้งหลายวันอุโบสถมีสองวันเหล่านี้แล